พรธรรมเทศนาของหล่มปู่ขาวอนารายูวัดท่ากองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องเทศโปรดในแพทย์ป่วยเกศสิงลงเล็บสอง กายเป็นสัตว์วุกข์มีอยู่เป็นสิ่งธรรมดาให้เราตั้งสติอบรมจิตใจของเราอย่าให้มันไปยึดถือร่างกายถ้าแม้นมันไม่ยึดถือแล้วก็จะอบรมจิตใจของเราให้มันสบายหากใจมันไม่สบายนี่มันทุกข์หลายมันทุกข์ก็พอยึดเอาอารมณ์นั่นแหละเข้ามายึดถือ อารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ที่พอใจมันก็ยึดเข้ามาอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาแล้วก็มาเผาใจไม่พอใจก็เป็นเหตุให้คับแคบตันใจอารมณ์ที่พอใจนั้นเมื่อมันพัดภากไปใจก็ถูกเผาอีก เป็นเหตุให้โศกเศร้าอะไรอววรถึงมันสิ่งที่พัดภาคเป็นวัตถุภายนอกก็ตามหรือแม้ญาติมิตรก็ตามพัดภาคจากไปมันเป็นทุกข์ก็เพราะไม่รู้เท่าอารมณ์พระพุทธเจ้าว่าของเก่าของพวกนี้เคยมีมาตั้งแต่เก่าไม่ใช่จะมีมาเดี๋ยวนี้ เราเกิดมาชาตินี้จึงมาพบปะกันในชาตินี้สิ่งที่พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีพบปะอยู่ทุกพบทุกชาติพวกเราพอหลงอันนี้แหละจึงพากันไม่เห็นความจริงพอหลงเรื่องอันนี้แหละจึงพากันวนพากันเอาพบเอาชาติอีกเปลี่ยนพบ เปลี่ยนชาติเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ร่ำไปเพราะไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาให้มันรู้เท่าสิ่งทั้งปวงน้อมมาอยู่อย่างนี้สำหรับโลกครอบงำโลกอยู่อย่างนี้ผู้ไม่รู้เท่าก็พอหัดมีราบเสื่อมราบมียศ เสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์แปดอย่างนี้คอบงำสัตว์โลกเรียกว่าโล ก, กธรรมแปดครอบงำโลกอยู่เพราะไม่รู้เท่ามันมันมีอยู่สำหรับโลก เคยมีมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไม่รู้เท่าเราก็วันไหวไปกับมันมีแต่พระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าและพระสาวกของพระพุทธองค์ได้ยินได้ฟังพิจารณาแล้วจึงรู้เท่าไม่วันไหวพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในโลก ไม่มีใครจะเทียบถึงหมดทั้งสามโลกถึงปานนั้นโลกกะระมนี้ก็ยังครอบงำพระองค์อยู่แต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวในโลกกรรมนั้นมีราบจิตของพระองค์ก็ไม่ฟูขึ้นเสื่อมราบจิตของพระองค์และสาวกทั้งหลายไม่ยุบลง ไม่มีความบันไว้มีสรรเสริญก็ไม่ฟู่ขึ้นมีนินทามีทุกข์มีสุขก็ไม่มีฟู่ขึ้นโล ก, กธรรมมีอยู่อย่างนั้นใครจะหนีไปไหนไม่พ้นต้องได้พบอยู่ทุกพบทุกชาติครอบงําสัตว์โลกอยู่ทุกพบทุกชาติ ส่องแสงเป็นทรังคู่เบกขาต่ออารมณ์ทั้งหลายก็สบายเท่านั้นแหละไม่มีความวันไหวไม่มีความสะดุง้งหวาดเสียวต่ออารมณ์ใดๆเป็นธรรมแท้ๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของใครแล้วแต่จะพิจารณาให้มันเห็นทรรมเหล่านี้เป็นของกลาง ไม่ใช่ของใครอัตภาพร่างกายที่เราอาศัยก็ดีสมบัติอันนี้เป็นของกลางไม่ใช่ของใครถ้าเรามายึดมันก็จะทุกข์เรามายึดว่าเราว่าตัวตนว่าผู้หญิงว่าผู้ชายพอเห็นว่าตัวว่าตนนี่แหละเมื่อเขาดูถูกดูหมิน่นก็โกรธแค้น เมื่อเขาสารรเสริญก็ฟูขึ้นชอบแ น, น่ว่าตนว่าตัวพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาให้มันเห็นแยกออกเป็นส่วนๆว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายหมดทั้งนั้นเป็นของกลางสำหรับใช้จึงว่าให้พิจารณาให้มันเห็นว่า เป็นธาตุธาตุสี่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมประชุมกันเข้าเป็นสกลกายขึ้นเมื่อมีก้อนมีขันขึ้นแล้วเรียกว่าขัน แล้วก็มีเวทนาขึ้นความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีความจำหมายว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสว่าผดทัพพะว่าธรรมารมมีความปรุงที่ใจคือจิตเจตสิกปรุงปรุงดีปรุงชั่วแล้วแต่มันจะปรุงไป แล้วก็มีความรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ไปตามอายตนะเรียกว่าวิญญาณความรู้รู้วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิวญญาณทางจมกูกวิญญาณทางริ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจพระพุทธเจ้าจึงว่าคนว่าธาตุประชุมกัน ธาตุทั้งสี่รวมเรียกเป็นขันห้ามีรูปประคันหนึ่งเวทนาความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยคือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวทนาขันหนึ่งสัญญาความจําได้หมายรู้เป็นสัญญาขันหนึ่งสังขารความปรุงความแต่งปรุงเป็นบุญเป็นบาปหรืออะไรก็ตามเรียกว่า สังขารคันหนึ่งวิญญาณความรู้ทางอายตนะทั้งหกเรียกวิญญาณคันรวมกันเป็นคันห้าคันอันนี้เป็นเครื่องรองรับรองรับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ดีก็รับอารมณ์ไม่ดีก็รับอะไรอะไรก็รับรับเอาหมดทั้งนั้น ท่านจึงว่าเป็นของหนะักไหนคนอยู่ที่ไหนละ่ะนี่เป็นรูปขันไม่ใช่คนนะนี่เป็นเวทนาขันนี่สัญญาขันไม่ใช่คนสังขารขันวิญญาณขันไม่ใช่คนไหนคนอยู่ไหนต้องค้นคว้าไป พิจารณาอยู่อย่างนั้นให้มันเห็นความเป็นจริงของขันอันนี้หรือให้พิจารณาปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานหผมขนเล็บฟันหนังนี่พระองค์ก็แยกไว้ว่าไม่ใช่คนสักอย่างแจกออกไปถึงอาการ32สองคนอยู่ที่ไหน ธาตุดินมีลักษณะแค่นแข็งหลายธาตุรวมกันไล่ออกไปธาตุดินมียี่สิบธาตุน้ำมีสิบสองไหนคนมีที่ไหนธาตุไฟอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยไฟเผาร่างกายให้กระวนกระวายธาตุไฟมีสี่อันนี่ก็ไม่ใช่คนธาตุลมหก ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมพัดในท้องในไส้ลมพัดทั่วไปในร่างกายลมหายใจเข้าออกธาตุลมหกหนคนอยู่ที่ไหนให้พิจารณาให้มันรู้เท่าว่าเป็นธาตุไม่ใช่คนเรามาหลงอันนี้แหละ หลงว่าตัวว่าตนว่าหญิงว่าชายเมื่อเป็นรูปเป็นกายมาแล้วพระองค์สั่งสอนให้พิจารณาเห็นรูปอันนี้เกิดเป็นก้อนขึ้นมาแล้วประกอบไปด้วยทุกข์โรคภัไยไข้เจ็บต่างๆนาน า, นาเกิดเป็นรูปมาแล้วต้องแตกต้องดับไม่ยั่งยืนคงทนอยู่ได้ ให้พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้จักชาติความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ชราความแก่ค ร, ครําคร่าสุดโทมก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์แล้วก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนอุปขญาติความคับแค้นอัดอั้นตันใจ เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ท่านให้พิจารณาให้เห็นเกิดขึ้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นอยู่ในกองทุกข์กองทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนเพราะเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มันเกิดก็คือความอยากความหลงนี่แหละเรียกว่าความกำหนัด ความชอบใจกำหนัดเรียกว่ากามความกำหนัดในกิเลสกามวัตถุกามก็ตามเรียกว่ากามตัณหาเรียกว่าตัณหาความทะเยอทะยานความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายความอยากเป็นอยากมีความอยากเป็นนู่นเป็นนี่เรียกว่าภวะตัณหา ความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเรียกว่าวิภวะตัณหาความเกลียดความชังเหมือนอย่างผมหงอกฟันหักนังหดย่นเป็นเกลียวไม่ชอบไม่อยากให้มันเป็นความแก่ความเจ็บไม่อยากให้มันเป็นแล้วก็ไม่พิจารณาให้มันเห็นตัณหาทั้งสามนี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เที่ยวเกิดเอาทุกพพทุกชาติเพราะความหลงอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละตัณหาสามนี้ถ้าละจะละที่ไหนความอยากตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันเกิดที่ไหน ตั้งอยู่ที่ไหนต้องค้นหาที่ตั้งที่เกิดของมันจักขุโลเกปิยรูปังสาตะรูปังเอตะเทสาตันหาอุปัตชมานาอุปัตชติเอตะถะนิวิสมานานิวิสติ ปัญหาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาเกิดขึ้นที่หูก็ตั้งอยู่ที่หูเกิดขึ้นที่จมูกก็ตั้งอยู่ที่จมูกเกิดขึ้นที่ริ้นก็ตั้งอยู่ที่ริ้นเกิดขึ้นที่กายก็ตั้งอยู่ที่กายเกิดขึ้นที่ใจก็ตั้งอยู่ที่ใจ เกิดข well ึ ale, ้นที่รูปก็ตั้งอยู่ที่รูปเกิดขึ้นจากเสียงตั้งอยู่ที่เสียงเกิดขึ้นจากกลิ่นตั้งอยู่ที่กลิ่นเกิดขึ้นจากรสตั้งอยู่ที่รสเกิดขึ้นจากสัมผัสตั้งอยู่ที่สัมผัสนี่บอนมันทางมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นทางจากขบวิญญาณ โสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเกิดขึ้นจากการกระทบกันทั้งทางกายทางวาจาทางใจนี่ทางมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อันนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่อันนี้เกิดขึ้นจากเวทนาความสัมผัส ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสัมผัสทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพทธพะธรรมลมเมื่อจําได้รูปทัดตันหาความกําหนัดความชอบในรูปสัตทัตันหาความชอบในเสียงคันธตันหาความชอบในกลิ่นระสะตันหา ความชอบในรสโผฏฐพะตัณหาความอยากถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งฟูกนอนหมอนอันนี้ธรรมตัณหาคืออารมณ์อดีตอนาคตมันสุมอยู่ในใจเกิดขึ้นเป็นตัณหาขึ้นความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ ธรรมรมตรึกตองถึงรูปเสียงกลิ่นรสผพทัพพระธรรมรมนี่แหละตัณหาจะเกิดขึ้นธรรมโลเกปิยรูปังสาตะรูปังเอตะเทสาตัณหาอุปัชมานาอุปัตชติเอตถะ นิวิสมานานิวิสติตัณหามันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อจะดับตัณหาดับที่ไหนก็จะต้องดับตามอายตนะสิ่งใดเป็นที่รักสนิทใจในโรคตัณหาจะเกิดขึ้นอะไรเป็นที่รักสนิทใจในโรคตาเป็นที่รักสนิทใจในโรค ตัณหาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตาตัณหาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาเมื่อจะดับก็ต้องดับที่ตานี้คือสำรวมไม่ให้มันเห็นมีสติประจำไม่ให้มันดูเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สำรวมอินทรีย์สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมกูก สำรวมรินสำรวมกายสำรวมใจอย่าให้ไปยินดียินร้ายอย่าดูมันอย่าฟังมันทำเป็นหูหนวกกินอีแก้งเสียนั่นแหละมันจึงสบายได้ชื่อว่าดับอายตนะนี่แหละหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปสู่ทางทวารทั้งหก จักขุโลเกปิยรูปังสาตะรูปังเอตะเทสาตันหาปะหิยะมานาปะหิยะติเอตะะัถะนิรุชระมานานิรุชระติบุคคลจะดับก็ต้องดับที่จักขุนี้บุคคลจะปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางที่จักขู ดับที่จักขุดับไปตลอดจักขุโสตะคานะชิวหากายใจนี้ดับไปปล่อยวางหมดสิ่งเหล่านี้เห็นว่าตนเป็นของกลางไม่ใช่ของใครเป็นของกลางแล้วสมบัติอันนี้เป็นสมบัติดีบริบูรณ์ดีจะใช้ให้มันทำความเพีย ใช้ให้มันเดินจงกรมใช้ให้มันนั่งสมาธิใช้ให้มันคน้นคว้าพิจารณาร่างกายอาศัยมันมันเป็นสมบัติดีใช้แล้วเหมือนกับเครื่องทับสมภาละที่เขาเก็บมาหามาพอทุกสิ่งทุกอย่างจะปรุงบ้านปุงเรือนปุงอะไรก็ตามปุงรถเครื่องยนต์ เครื่องอะไรก็ตามเขาหามาแล้วเขาต้องใช้หามาแล้วปุุงขึ้นแล้วเป็นรถแล้วเขาต้องใช้บรรทุกจนเต็มกำลังเมื่อมันทำขึ้นใหม่ๆนี้คั้นมันชำรุดสุดโทมมันก็บรรทุกไม่ได้อีกละเหมือนกับร่างกายของเรามันเท่ามันแก่แล้ว ชำรุดสุดโทมแล้วไม่มีความสามารถจะทําความเพียรได้เมื่ อ, อยังน้อยอยังหนุ่มรีบใช้มันเสียมันชำรุดสุดโสมใช้ไม่ได้จะนั่งร้ายก็เจ็บเอวเดินรลายก็เจ็บแข้งเจ็บขามันแก่มาแล้วนอนมันก็เมื่อยไม่มีความผาสุกไม่มีความสบาย อา้าวเป็นอย่างไรนอนตะแคงก็เจ็บนอนหงายก็เจ็บพังซ้ายอีกก็เจ็บอยู่อย่างนั้นแหละของมันเก่ามันแก่มาแล้วกายมันถูกต้องโวดทับพะมีแต่เจ็บแต่แข็งหมดเมื่อยังหนุ่มยังน้อยอย่างนี้ถูกต้องนั่งนอนอย่างไรก็พอนอนพอนั่ง มันเท่าแก่มาแล้วมีแต่กระดูกนอนไปข้างไหนมันก็จิบนอนไปไม่ได้นานยี่สิบนาทีรับพิกข้างนูน้นพิกข้างนี้มันแสนลำบากเมื่อมันยังดีแข็งแรงอยู่อย่างนี้ะ่ะรีบใช้มันเสียทางโลกโลกัตถประโยชน์ยาตัดถประโยชน์ อัตถะประโยชน์ประโยชน์ตนยังไม่ทันได้ประโยชน์ตนคือทาความเพียรคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิจิตมันดีแล้วให้มันสงบเป็นสมาธิคั้นมันเป็นสมาธิแล้วทำให้มันแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวแล้วก็จิตนั่นแหละมันจะเป็นดวงปัญญาขึ้น มันจะส่องแสงมันมีกระแสจิตพุ่งออกพิจารณากายอีกซ้าอีกมันก็จะเห็นชัดคันมันสงบแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาสัจธรรมของจริงทั้งสี่วงเล็บเปิดอริยสัจสี่วงเล็บปิดของจริงของดีของพระพุทธเจ้าของพระสาวก ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจริงอย่างไรดีอย่างไรดีเพราะว่าเหมือนดังภาษาวกท่านทั้งหลายเบื้องตน้นท่านก็เป็นปุถุชนนี่แหละเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาตามเห็นตามเห็นแล้วเกิดนิพพิธาในเบญจขันว่า มันไม่ใช่ของเราเป็นเพียงของใช้ไม่ใช่ของเรานี่แหละเห็นจริงชัดแล้วก็ระถอนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าได้จึงว่าของจริงสมุทยัยสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นของจริงอันประเสริฐ นิโรธความดับก็เป็นของจริงอันประเสริฐมัคคะปฏิปทาคือเรารักษาศีลเราภาวนาเดินจงกรมก็นี่แหละมัคคะปฏิปทาเพื่อจะให้ก้าวไปถึงนิโรธอันนี้การปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอริยาบททั้งสี่อันนี้ เป็นมัคคะปฏิปทาเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังผู้ใดปฏิบัติให้มีให้เกิดขึ้นให้สมบูรณ์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้เพื่ออบรมจิตมัคคะปฏิปทาให้จิตตั้งเป็นสมาธิมันเกิดสมาธิแล้วก็เกิดญาณ เพราะบำรุงมักนี่เสียก่อนให้เกิดให้มีขึ้นมักแปลว่าทางอันประเสริฐเป็นทางเดินไปสู่ความวิมุตต์ความหลุดพ้นจากอาสวะให้ถึงวิโมกความพ้นทำเอาเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทำเอาเองผู้อื่นทำให้ไม่ได้ใครทำใครเอา เหมือนกันกับรับประทานอาหารต้องทานเอาใครตั้งใจทานก็อิ่มท้องเองธรรมมีอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่อื่นไม่ได้ไปหาเอาที่ป่าที่ดงแม่นหมดทั้งสกลกายนี้แม่นหมดทั้งก้อนนี้และเป็นธรรมเพราะองค์ชี้เข้ามาที่นี่ไม่ได้ชี้ไปที่อื่น ชี้เข้ามาที่สกลกายนี้ใช้อันนีท้ทำยืนเดินนั่งนอนมีอยู่นี่พอแล้วไม่ต้องไปหาเอาที่อื่นทุกขษสัต์ก็มีพออยู่นี่แล้วสมุทรไทยสัตว์ความโรคความโกรธความหลงก็มีอยู่นี่แล้วนิโร ธ, ธสัตว์ความรู้แจ้งความเห็นแจ้ง ตามความเป็นจริงก็มีอยู่ที่นี่แล้วมักคะปฏิปทาก็มีอยู่ที่นี่แล้วแม้เราจะเป็นผู้เดินผู้ยืนเป็นผู้นั่งไขควรพิจารณาหาเหตุผลเราจะไปหาเอาที่ไหนสัพเพธรรมาอนัตตาทั้งก้อนนี้ไม่ใช่ของใครทั้งหมด ไม่ใช่ของใครหมดทั้งนั้นแต่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าบอกแล้วรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาบอกซื่อๆนี่แหละไม่มีรีรับสักหน่อย แต่เราไม่เห็นมันดูไม่ถูกที่เรานี่ที่เรานี่แหละพุทธทาสบอกว่าตัวกูตัวของกูเหมือนนกเขานั่นแหละคันปล่อยวางเป็นของกลางแล้วเป็นของใช้แล้วต้องปฏิบัติมันอยู่นี่แหละไม่ได้ทิ้งดอกไม่แม่นของเราแต่เราอาศัยแล้ว เราก็ต้องปฏิบัติมันอาบน้ำชาระกายให้มันนุ่งผ้าห่มผ้าให้มันมันหนาวก็ห่มฝนตกก็ห่มแดดออกก็ห่มต้องรักษาเหมือน ก, นกันกับของใช้นั่นแหละเราจะไปทิ้งเรเพ ร, ราดพาดอย่างนั้นมันก็ใช้การไม่ได้มีอยู่นี่แล้วเราไม่ได้ไปเอาที่อื่น พระพุทธเจ้าบอกให้แล้วทำแม่นหมดก้อนไครก้อนเรานี่แหลกสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายต่างหากนี่แหลกมันหลงสมมุติจะว่าก้อนสมุทรไทยก็แม่นหมดทั้งก้อนนี่แหลกเราหลงสมมุตินี่แล้วว่าหนังของเราดีว่าเล็บของเราดีว่าฟันของเราดี ผมของเราดีสวยงามงามก็เอาไฟมาเผาให้มันงอพอมันงอกมาก็เอาน้ำย้อมมามันจะขายหน้าเขาก็ย้อมดําบทมันงอกขึ้นมามันก็น่าเกียดขึ้นขายหน้าขึ้นหนังหน้ามันเหี่ยวก็เอาอีหยางมาทาแล้วก็เอาคุถังน้าอีหยางตั้งบนหัวนี่ มันร้อนนี่มันไม่ชอบมันเบื่อหน่ายมันร้อนให้หนังหน้ามันแห้งมันลอกออกเหมือนกันกับไข่อันนี้มันลอกออกมันก็อยู่ไปสักสองถึงสามวันมันก็เหี่ยวอย่างเก่าอีกคือเก่าโอ้ยอันนี้ไม่ชอบล่ะความไม่ชอบมันก็วิพาะตันหานะแล้วสองถึงสมวันมันก็ลอกออก มันก็เหิวคือเก่านี่แหละมันหลงอันนี้ละแม่นตัวสมุทรไทยหมดทั้งก้อนผมมันก็ตัวสมุทรไทยเล็บฟันหนังแม่นหมดแม่นตัวมรคหมดทั้งก้อนคันชำระคันพิจารณาดูแม่นตัวนิโรธแม่นตัวทุกข์หมดทั้งก้อนผมไม่สะ สางมันก็เหม็นสาดต้องสะต้องสางเล็บเอาไว้ยาวมันก็น่าเกียดน่าชังดำก็ปานหยังหน้าเกียดเขี้ยวฟันถ้าไม่ขัดไม่ถูมันก็มีขี้เต็มมันไหลออกทั้งกลางวันกลางคืนทั้งก้าวทวาร น, นี่แหละไหลออกไม่มีรู้ตัว ว่าตัวดีอยู่ว่าดีว่าหอมพระพุทธเจ้าว่าให้ดูให้พิจารณาให้ดูความไม่งามอสุพะอสุพังปฏิกูลน่าเกียดอัตภาพร่างกายนี้ไม่ให้เห็นว่าเป็นสุพะคือความสวยความงามมันหลงอะไรละ่ะมันหลงหนัง